เล่าดิทานธรรมหายมฟังมีพระราชาอยู่ท่านหนึ่งคิดปัญหาไม่ตกคือพระองค์เนี่ยนึกปัญหาขึ้นมาสามข้อไงว่าเวลาไหนสําคัญที่สุดใครคือคนที่สําคัญที่สุดภารกิจอะไรที่สําคัญที่สุดพระราชาถ้าได้คําตอบจากสามข้อนี้่ ก็จะทำให้การบริหารบ้านเมืองหรือการทำงานจะดียิ่งขึ้นคิดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็คิดไม่ออกจึงเป่าประกาศให้คนในเมืองเนี่ยถ้าใครตอบปัญหาสามข้อที่ทำให้พงค์พอใจได้เนี่ยก็จะให้รางวัลมากมายพอคนรู้ข่าวก็มาตอบปัญหานี้กันแต่ไม่มีใครตอบให้พงศ์พอพระไทยได้เลยก็เลยไม่มีใครได้รางวัลพระราชา นอนคิดอยู่หลายคืนจึงตัดสินใจไปหาผู้รู้หรือฤาษีที่อยู่บนเขาเพราะทราบข่าวว่าฤาษีเนี่ยรอบรู้ทุกอย่างคงตอบปัญหาพระองค์ได้แ ต, ต่ติดตรงที่ว่าฤาษีเนี่ยไม่ต้อนรับคนรวยหรือคนมีอำนาจท่า น, นต้อนรับคนที่จนๆมากกว่าพระราาจึงต้องวางแผนขึ้นเขาไปหาโดยปลอมเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็นำทหาร ไปส่วนหนึ่งโดยกปอมเป็นคนธรรมดาและทหารรออยู่ข้างล่างพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปเดียวใครผิวกระทอมที่รือสีอยู่ก็เห็นรือสีกำลังขุดดินรือสีพอเห็นแขกแปลกหน้ามาเยือนก็พยักหน้ายิ้มต้อนรับพระราชาก็เอ่ยปากถามว่าที่มาเนี่ยจะขอถามปัญหาสข้อขื้นหนึ่งเวลาไหนที่สำคัญที่สุด ข้อที่สองไขไฮโคนที่สำคัญที่สุดข้อที่สามพลักิจอะไรที่สำคัญที่สุดคือสีก็ตั้งใจฟังนะแต่ก็ไม่ได้ให้คาตอบก็ยังขุดดินต่อไปหรือสีแก่แล้วเวลาขุดดินก็ทำให้หอบหายใจแรงพระราชาเห็นจึงอาสามาช่วยขุดหรือสีก็ส่งจอบให้แล้วก็ไปนั่งพัก พระชายาขุดดินเรื่อยๆแหละขุดไปสักพักหนึ่งก็หันมาถามปัญหาอีกฤศีฤศีก็ขอจอบคืนแต่ไม่ได้ตอบปัญหานะพระชายาไม่ยอมส่งจอบให้ก็ขุดต่อไปอีกพักใหญ่เลย่ะผ่านไปประมาณสองสามชั่วโมงจนภระาที่ตกดินเย็นมากแล้วพระชายาเห็นว่าเย็นมากแล้วก็ทัวคําถามอีกถ้าถ้าไม่ได้คำถามก็จะลากลับแล้ว ถ้าตอบไม่ได้ฤาษีตอบไม่ได้จะลากลับฤาษีให้พระราชาฟังว่ามีเสียงอะไรอะ่ะดังสักพักหนึ่งก็เห็นคนวิ่งมาคนบาดเจ็บเลือดท่วมเลยพระราชาเห็นเข้าจึงรีบเข้ามาช่วยเหลือคนบาดเจ็บคนบาดเจ็บมาถึงก็ล้มลงหมดสติอ่ะ พระชาก็พยุงแล้วก็เอาผ้าเนี่ยซับเลือดที่ไหลออกซับไปซับมาจนเลือดแห้งเลือดหยุดไหลคนเจ็บก็ฟื้นขึ้นมาก็ไ อ, อปากขอน้ำพระราชาก็ต้องเดินไปตักน้ำมาให้จน เ, น, นเหนื่อยมากฤรืษสีก็ให้นาพลเจ็บเนี่ยมาที่กระท่อมแล้วค่อยนอนบนเตียง พระราชา เ, เหนื่อยทั้งวนันตั้งแต่ปีนเขาขุดดินช่วยเหลือพยาบาลคนเจ็บจึงนั่งพิงประตูหลับไปเลยตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็งงเอ๊ะเรามาอยู่ที่ได้ยังไงคนเจ็บที่พระองค์ช่วยก็มองหน้าจ้องหน้าพระองค์อยู่คันเห็นพระราชาตื่นขึ้ น, นมาก็เอ้ยปากขอให้พระองค์อภัยให้ข้าเถิดพระราชาก็งงบอกอภัยเรื่องอะไร ชายผู้นั้นก็ลอยฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพระราชาเคยฆ่าพี่ชายแล้วก็ยึดทรัพย์สมบัติตนยังแค้นมากตั้งใจต้องฆ่าพระราชาให้ได้ขันทราบข่าวว่าพระราชามาหาฤาษีบนภูเขาเนี่ยก็แอบอยู่ข้างล่างว่าจะสังหารตรงขาดอีขาลง แต่รอแล้วรอเล่าก็ไม่ยอมลงมาทีจึงต้องออกเป็นฝ่ายตามหาพระองค์เองพอเออไปเจอทหารที่อยู่ตีนเขาก็เลยเกิดการต่อสู้กันเพราะทหารจำได้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจึวิ่งขึ้นเขามาหาและตัวเองเนี่ยคิดฆ่าพระราชาแต่พระราชากลับช่วยชีวิตไว้ก็เลยเกิดความรู้สึกละอายใจสำนึกผิดแล้วขออภยัย พระชาชาฟังจบก็ให้อภัยแล้วสุดดีใจนะที่ว่าสามารถปิดศัตรูเวนมิสอย่างง่ายได้หลังจากนั้นก็สัญญาว่าจะยก ส, สมบัติคืนให้แล้วก็จะส่งหมอไปดูแลให้จนหายบาดเจ็บแล้วพระองค์ก็ขึ้นเขามาหาฤๅษีอีกรอบหนึ่งเพื่อระทวงคำตอบฤๅษีก็บอกอา้าวพระองค์ได้คำตอบไปแล้วไม่ใช่เหรอพระชาก็งงได้คาตอบอยังไงเมื่อวาน ถ้าท่านเนี่ยไม่สงสารข้าที่แก่แล้วมาช่วยขุดดินเนี่ยรีบลงจากเขาไปก็จะต้องโดนชายผู้นี้ทาร้ายและท่านก็ต้องเสียใจที่ไม่ได้อยู่ช่วยฉันขุดดินเวลาที่สำคัญที่สุดก็คือเวลาที่พระองค์อ่ะขุดดินใครคือคนที่สำคัญที่สุดก็คือฉันภารกิจอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยฉันขุดดิน ขณะที่พระองค์ช่วยชายคนนั้นเวลาอะไรสำคัญที่สุดก็เวลาเวลาที่ช่วยชายคนนั้นแหละใครคนสําคัญที่ ส, สุดก็คือคนที่มาให้มาให้ช่วยนั่นแหละเจ็บคนนั้นภรารกิจอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือการประมพิจาบาลช่วยเหลือชายคนนั้นพระราหาจะเข้าใจครับและได้คําตอบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทั้งสามข้อเนี่ย อยู่ในปัจจุบันขณะอย่างตอนเนี้ยพวกญาติโยมถ้าเวลาไหนสำคัญที่สุดก็คือเวลาฟังธรรมใครคือคนที่สําคัญที่สุดก็คืออาธมาแหละอาธมาผู้ธรรมายมฟังอยู่ภารกิจอะไรที่สําคัญที่สุดก็คือภารกิจที่โยมกำลังฟังธรรมแต่ส่วนตัวอรรมาเนี่ยตอนเนี้เวลาไหนสำคัญที่สุดก็เวลาที่ผู้ธรรมโยมฟังใครคือคนที่สำคัญที่สุดก็คือ พวกพระแม่ชีญาตโยมพรกิจอะไรที่สําคัญสุดก็คือพุทธมะที่ดีและมีสาระมีประโยชน์ให้แก่ญาติโยมฟังอันนี้คือเวลาปัจจุบันเพราะเราไม่สามารถแก้ไขเวลาในอดตได้เลยอนาคตก็ยังมาไม่ถึงดังนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตเราในปนัจจุบันจึงสําคัญไม่ว่าจะเป็นงานหรือ เ, เวลาถ้าเกิดประโยชน์ด้วยนะอย่างปีแล้วอัตมาได้มีโอกาสไปอินเดียกับ พาอาจาร์เป็สานมีวันหนึ่งก็ขึ้นเขาที่ยากูดเขาที่ยากูดก็ไม่เคยกว้างเท่าไหร่ต้องวางแผนไปในเช้ามืดเลยเพราะถ้าไปสายเนี่ยมันจะมีหลายคณะขึ้นไปคณะที่ไปกับอธรรมเนี่ยมีต้องแปดสิบคนเป็นคณะใหญ่มั้เราต้องไปจองที่สำหรับสวดมนต์หรือฟังธรรมกันแล้วก็ไปชมภาที่ขึ้นเขาที่ยกูดด้วย อันมาก็ไปกับพวกจะไปสารก่อนไปคณะเล็กๆก่อนหมู่ใหญ่ตามมาทีหลังก่อนีจะขึ้นขเขาที่เะกรยก็ต้องแวะทมของภาษารีบุตรพระโมคคลาก่อนเข้าไปกราบข้างในก็เต็มไปด้วยเศษขยะมากมายเลยเศษถุงปลติกที่ใส่ทูบหรือใสเ่สเทียนขวดน้ำ อันนี้ก็สร้างความแปลกใจให้อาจารย์เพราะว่าเปินสถาที่ควรจะศักดิ์สิทธิ์ไงคือเป็นท่ามพระลาหน์แต่ทำไมมีเศษขยะเกื่อนเลยจารย์ไปศารจึงตัดสินใจหาถุงมาเก็บขวดพลาสติกเก็บเศษพลาสติกต่างๆบริเวณนั้นแล้วก็ให้คนที่ตามมาช่วยเก็บด้วยก็เลยเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งที่ไม่มีใครทาคือท่านเก็บเป็นตัวอย่างแล้วเราขึ้นเขาที่กูด ที่กุฏิของพระพุทธเจ้ากุฏิพระพุทธเจ้าเลยอยู่บนยอดเขาเลยคณะอนมาก็เข้าไปก่อนจะจองที่ก่อนพอบูว่าถึงอันมาก็เป็นคนนาสวดมนต์แหละสวดอิติปิโสเก้าจบตอนนั้นคนก็เริ่มขึ้นมาแล้วเพราะเริ่มสายแล้วใครที่อันมาสวดมนต์ไปเนี่ยสักพักหนึงพวกคณะที่สี่ลังกาเขาก็สวดตามไปแหละ ก็เลยกลายเป็นบรรยากาศคึกคักเลยอิติปิโสภควาน่ะสวดกันแบบกระหึ่มบ่อยๆแล้วโมยยอดเขาคิจิกูดแล้วแล้วก็อาจารย์อาจารย์ไปสารก็แสดงทำพอพอสวดโมดเสร็จนะท่านก็พูดธรรมะก็มีคณะของคณะอื่นนะ่ะเป็นคนไทยอะ่ะก็มีพระนำมาก็ขบวนใหญ่เลยมาก็หลายคณะ อาจารย์ป็นสารก็พูดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องความทุกข์ความตายและต่างๆเนี่ยแต่ขณะนัน้นก็จะพูดเรื่องขอพรขอให้รวยขอให้สร้างบา ร, รมีมีการขอพรละ้ยาวเหยียดเลยอันนี้เสียงแข่งกันมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แปลกๆคือชาวพุทธเนี่ยจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรอกถึงไปได้วยกันเนี่ยแต่ต่างอุดมการกันอาจารย์เป็นสารจะพูดเรื่อง ให้ไปวางหเห็นความจริงของชีวิตแต่พระที่มาจากที่อื่นก็จะให้ความหวังโยมไงให้รวยให้มีโชคลาภให้สุขภาพดีคือทำให้ชีวิตมีมงคลยิ่งขึ้นอันนี้ก็มีความต่างกันอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันที่หวยออกหวยออกเนี่ยก็คือคนที่เล่นหวยจะมีความหวังว่าจะต้องถูกบางคนซื้อเยอะแยะเลย แต่ส่วนใหญ่มันก็ผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่คนที่คาดหวังไว้ว่าจะถูกอย่างแรงเนี่ยบางทีเสียผู้เสียคนไปก็มีนะพอทุ่มไปเยอะพอผิดหวังก็กินเหล้าหรือจิตตกดื่มดำกับความเศร้าไอ้พวกที่ถูกหวยก็เลี้ยงฉลองทุ่วไปจะเป็นแบบนี้พกพมีความคาดหวังอ่เล่าเรื่องอีเดียต่อ แล้วเราก็ไปอีกหลายที่มีอยู่ครั้งหนึง่งไปเมืองพา ร, ราสีขณะขากลับเนี่ยคณะทัวร์ก็ให้อาจารยา์เป็นศารกัตมาเนี่ยนั่งสามล้อสามล้อปั่นนะเดี๋ยวนี้พวกโยมบางคนอายรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นก็นได้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวตุกต๊กตุ๊กสามล้อปั่นคนที่ขี่สามล้อเนี่ยก็อายุเยอะแล้ว คำดุันนั้นน่าจะหกสิบกว่าแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ตกลงราฮากันที่สองร้อยลูปีอันมานั่งกับอาจารย์ได้พักหนึ่งอันมาก็เดินลงเพราะเห็นว่าเอ้ยเร า, าถ่ายรูปอาจารย์ดีกว่าเพราะว่าอาจารย์นั่ง3ามล้อคงเทศดีเอามาลงเ c e b o o k ใ, ให้โยมได้ชมกันเพราะรูปอย่างนี้ไม่เคยมีมาก่อนเป็นรูปเป็นครั้งแรกของอาจารย์ไปศารรูปนั่งสามล้อนะสามล้อปันนะ่นอันมาก็ลงเดิน คนที่23ล้อเขาก็เหมือนกับเขาจะชินกับเรื่องถ่ายรูปนะเขาก็ชูสองนิ้วบ้างแอคชั่นให้กล้องบ้างตอนนั้นมาใช้มือถือถ่ายแล้วก็ถ่ายเดินถ่ายไปจนถึงที่หมายแหละระยะทางก็ประมาณไม่ถึงกิโลหรอกมันประมาณสักประมาณสักห้าห้าร้อยเมตรได้ห้าหร้อยเมตรนั่นแหละถ้าเดินก็เดินได้ไม่ได้ไกลมากถึงที่หมายปุ๊บไอ ชายคนนั้นก็ทวงค่าโดยสารกับอาจารย์เปี่ยศานแหละทวงสองอยบาทนะไม่ใช่สองร้อยลปีนะอาจารย์เปี่ยศานก็รู้สึกว่าผิดสัญญาไม่ได้ผิดตามที่ข้อตกลงไว้ก็เลยไม่ให้หรืออย่างตอนแรกก็ตกลงว่าเดี๋ยวทางทัวจะไปจ่ายให้ไนงะจากตอนแรกที่เขายิ้มแย้มมีความสุขเขาก็ด่าอาจารย์เปีศานด้วยท้อยขาบุนแรงด่าระมาด้วยด่าแบบภาษาแขกอะ่ะเราไม่รู้หรอกเขาด่าอะไรบงเบงบงเบงคอไปเอ็นเลย อนามาก็ล้มคาเนี่ยอยากฟักตังแจกจ่ายไล่ๆไปแต่อาจารย์ภาษาไม่ยอมปล่อยแขกด่าแล้วแหละดา่าอุพักใหญ่แล้วนะต้องนาน่ะด่าแบบไม่สนใจแขกแขกจะด่าก็ด่าไปอาจารย์เขาไม่สนใจ <c oughs> เพราะวิธีแก้ปัญหาบางทีเราให้เงินเข้าไปมันไม่ใช่แก้ปัญหาไงแค่ตัดฝงลงาลําคาเท่านั้น <c oughs> สักพักหนึ่งพักใหญ่แล้วแหละคณะทัวร์ที่คนจัดก็ ก็ต้องจ่ายเกินให้แขกไป200ร้อถึงยอมไปถ้าให้สองร้อลูปีไม่ยอมไปก็เลยมีพาสิทธว่าตีงูตีแขกเลยให้ตีแขกก่อนตีงูตีหลังก็ขนาดอยู่กลางแม่น้ำํำคงคาแขกยังตามเตือ้อพายเรือไปไปขายอาหารอาหารนกหรือหรือขายปลาเพื่อที่จะไปปล่อยคือมีความพยายามสูงมากก็อยอมแขกเรื่องความพยายาม การแม่้ำงขาที่กว้างใหญ่นะ่ะก็อย่างอุตษาหไปดักหน้าดักหลังอะ่ะก็ื่จะขายของให้ได้หรือตื้อสารพัดทินเดียเนี่ยก็มีสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ไม่น่าประทับใจประทับใจก็ทําให้เรานึกถึงรอยพระพุทธเจ้าในอดีตทาให้เราเข้ามาใกล้ไงแต่ที่ลอยไม่ประทับใจก็คือคนอินเดียอาจารย์เปสารบอกเรามาว่าถ้ามาอินเดียเนี่ยให้นึกถึงอาจารย์ประมวลเข้าไว้ ให้ยอมรับสุกสงที่เกิดขึ้นในอินเดียรถที่เรานั่งเนี่ยจะขับไล้กติกาบีบแกินปิ้นตลอดทางเลยบางทีจอดเนี่ยไอ้คนขับเนี่ยคนขับกับไอ้เด็กรถอ่าก็เอาขยะเนี่ยเฟี้ยงลงข้างทางอะ่ะซึ่งถ้าเป็นบ้านเรานี่มีเรื่องอะ้ะขยะบางทีทั้งขวดพลาสติกพลาสติกต่างๆเนี่ยเฟี้ยงลงข้างถนนแล้วแหละ อันประเทศอินเดียเนี่ยสังเกตแล้ข้างถนนเนี่ยเต็มด้วยขยะหนาชิดเลยแบบลลเียบไร้ระเบียบแล้วก็ไม่มีสามาสัญสำนึกเดียงสิน้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเรามาเปิดวิดีโอคลิปอยู่คลิปหนึ่งเจอมันเอารถขยะเนี่ยมาเททิ้งลงในแม่น้ําเลยนะดำลงแม่น้ำทั้งคันเลยโอ้โหคือคือปั่เถื่อนมากคือทํำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่ด้านดีเขาก็มีนะอินเดียอินเดียจึง ม, มีทุกอย่างอะ่ะทั้งด้านดีและด้านไม่ดีด้านไร้กติกาด้านเถือเ่อนก็เยอะ อันนี้คือกว่าไปอินเดียไปก็เลยได้ประสบะการณ์ชีวิตทำให้อนาตรักประเทศไทยมากขึ้นราให้เรารักเมืองไทยถนนบ้านเราเนี่ยวิ่งไปไหนก็สะดวกกว่าอินเดียถึงรถติดรถติดแบบแต่ตอนนี้คนก็อยากให้เป็นวันปกติเพราะวันเทศกาลเนี่ยรถติดยาวก็ยังีอินเดียถ้าเทียบแล้วอินเดียเนี่ยสองรอยกิโลเนี่ย อาจจะต้องใช้เวลาวิ่งถึงห้าหกชั่วโมงครึ่งวันเนี่ยเอ า, อางี้ดีกว่าสองร้อกิโลอะไรวิ่งขึ้นหครึ่งวันแต่ถ้าเจอทั้งสามร้อกิโลวิ่งเป็นวันเลยแล้วไม่สามารถตกลงนั้นหมายอะไรใครได้เพราะที่นั่นท้านั้นหมายแล้วคุยจะต้องผิดหวังอะไรที่เกิดขึ้นได้ดี่อถ้ารถชนกันก็รถติดละเพราะถนนเนี่ยมีทั้งมีทั้งวัวมีทั้งคนเดินมีทั้งลา มีทั้งอะไรใช้ร่วมกันหมดแหละใช้ถนนเดียวกัน่ะคือไร้กฎิกาแต่บีบแกเขาไปโกรธนะเขารับได้แต่บ้านเราบรีบแกมีเรื่องนะจะต่างกับตรงนี้คนินเดียเขารับได้อ่ะแล้วคนอินเดียก็เจอทุกข์มากกว่าประเทศไทยคือประเทศเขาลำบากนะยากจนลำบากเขาจะอุปยเขาอาดทนในการตามตือ้อซึ่งคนไทยเนี่ยสบายไม่ลำบากกว่าอินเดียมันก็เลยต่างกัน คือคนดีได้ดิ้นรนมากกว่าเ อ, อ่อนมาก็ปีแล้วได้ไปกระจายเป็สารแต่ก็มีข้อผิดพลาดเรื่องการทํางานนะอย่างเรื่องไม่รู้การกระจายไป็สารกระจะไป็สารก็มีข้อสั่อัดนาไปด้วยจะต้องเอาเครื่องอัดแล้วก็มีหน้าที่บันทึกเสียงให้ไงแต่ตัวมาก็มีว่าเอ๊ะเราไปครั้งเนี้ยเราตั้งใจไปถ่ายรูปให้ท่าน ไม่ได้คิดเรื่องอัดเสียงเนพะราะปกติอาจารย์อัดเองไงอาจารย์ก็จะมีเครื่องอัดแล้วก็มีไม้เล็กๆสาหรับตัดเสียงรบกวนไงท่านก็ไม่ยอไปทีนี้ยุ่งเลยอันมาก็าไปตัวหนึ่งแต่ไม่ได้เอาสายไปแต่พเพอินอาจารย์ไปศาลนั้นพูดดีตอนที่ไปเดียท่านตั้งใจเทศบ้างเลยนะอยู่บนรถกเทศถึงเวลาไปสถานที่ต่างๆท่านก็จะพูดถึงสถานที่นั้นแหละ เมื่อจะเป็นอารันทาหรือป่าอีซีหรือทุกที่ที่ไปอ่ะฉันตั้งใจหมดเลยจัดไม่ดีทีนี้อนามา ก, ก็เลยโดนทวงทวงเสียงไฟเสียงจากเมื่อจะเป็นคณะที่ไปหรือคณะอื่นเลยกลายเป็นว่างานตัดแต่งเสียงชุดนี้ทำยากที่สุดในชีวิตเลย พอมีเสียงรบกวนมีเสียงพูดแข่งกันอะไรกันเนี่ยแต่ละมาก็ะทำจนสําเร็จนะ ส, สิบกว่าควา์เนี่ยโอ้โหต้องทุ่มเทมากไฟล์นึ่งวันที่ทำต้องหลายชั่วโมงให้พอฟังได้นะเพราะว่ามันอัดไม่ดีถ้าต้นละแต่อาจารย์พูดดีหรือ ถ, ถ่ายรูปก็เป็นกานถ่ายรูปแล้วก็ใช้มือถือตอนนั้นอัลมาก็มี P10 พัทดีสุดแล้วแหละแต่ตอนนั้นแต่พูดถึงคุณภาพก็สู้มือถือยุคปัจจุบันไม่ได้ ก็เลยรู้เสียดายที่ว่าถ้ามีเวลาเลาจย้อไปอัดเสียอาจารย์ใหม่หรือถ่ายรูปใหม่ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันทําได้เฉพาะปัจจุบันไงบางทีเราแก้ไขในอดีตไม่ได้ไม่สามารถแก้ไขได้หลายเรื่องอันมาไปถา่ที่ต่างๆหลายที่นะถ้ามีโอกาสไปอีกเราก็ได้ถ่ายรูปแก้ตัวให้สวยขึ้นเพราะว่า มือถือเราอ่ะก็มีการพัฒนาดีกว่าเมื่อก่อนหรือถ่ายดีขึ้นมีประสบการณ์อย่างที่นั้นไงอย่างเมื่อปีแล้วก็ไปที่เขมรไปนครวัดเราก็ไปถ่ายรูปนครวัดแต่ส่วนใหญ่กล้องเอาไปดันกล้องเสียก็เลยกลายเป็นว่าเราใช้มือถือถ่ายมือถือที่มาก็เป็นพี20โปรโหว่พี20โปรก็กลายเป็นว่าใช้มือถือถ่ายกันทักนาหรือที่ไปสามคนหลวงพี่บุญหลวงพี่จ๊อกไปอะ ก็ภาพมันก็ถ้ามองแบบภาพรวมมันก็ใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้ลึกๆแล้วก็อยากจะแก้ตัวไปถ่ายอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้เราเราถ้าเราไปเองเราแก้ได้แต่อาจารย์เป็นยสารเนี่ยเราไม่สามารถแก้ท่านได้เลยเพราะว่ามันต้องไปไปตามเหตุตามปัจจัยไงมันมีเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างเยอะอย่างไปอินเดียเราก็ไม่สามารถไปกับอาจารย์เปี๊ยสารใหม่ได้มันต้องมีเงื่อนไขมีอะไรหลายๆอย่างแต่ถ้าเราไปเองหรือไม่ถ่ายรูปแก้ตัวจะง่ายกว่าให้คนเรามันถ้าคาดหวัง กับคนอื่นเนี่ยส่วนมากมักจะผิดหวังเพราะต้องมีเหตุและปัจจัยร่วมด้วยความคาดหวังคือคาดหวังได้แต่ต้องปล่อยวางความคาดหวังดันด้วยทุกครั้งที่อามาทํางา น, นมาคือความคาดหวังนะก็ต้องทำงานให้งานให้ดีอย่างวันเนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่ามาไม่ได้อยู่วัดมาสามปีแล้วนะปีใหม่กับปีเก่าเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะทํางานชิ้นโบแดงเลยวันเนี้ยจะถ่ายวีดีโอจะไปศาลส่งท้ายปีเก่า ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเพราะว่าอาจารย์เป็นสารในชีวิตก็ไม่มีใครถ่ายวิดีโอท่านส่งท้ายปีเก่าเหมือนกันเป็นไฟล์แรกในชีวิตท่านเพราะว่ากล้องที่เรามาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันเพิ่งจะซื้อมาได้2ปีกว่าและตัวจมาก็ไม่ได้อยู่วัด า, ามปีช่วงปีใหม่ก็เลยปีนี้ตั้งใจไวมากเลยว่าจะต้องทําให้สําเร็จถ่ายวีดีโอท่านแล้วก็เผยแพร่ลงโลกโซเชียลและพูุ้่งวิเช้าเราก็เดินทางไปถ่ายวิดีโอท่านต้อนรับปีใหม่เป็นไฟล์แรกในชีวิตท่านเหมือนกัน ที่ผู้หลงเพื่อเผยแพร่ลง YouTube ให้คนทางบ้านได้ชมกันได้ฟังกันอันนี้มีงานที่ตั้งใจทําแต่เราก็ไม่รู้ว่าสำเร็จหรือเปล่านะเพราะว่ามันมีตัวแปรเกิดาจากใจไปสารป่วยกระทันหันหรือตายกระทันหันหรือตัวธรรมามีเอ็กซ์เซเดน์ขึ้นมาเนี่ยงา น, น, นก็ล้มเหลวงนั้นเราจะมีความหวังแต่เราคาดหวังไม่ได้เพราะว่าถ้าสาเหตุและปัจจัยเพราะว่าถ้าเกิดเรา หวังแล้วคิดว่าต้องสมหวังเนี่ยส่วนใหญ่จะผิดหวังอย่างตัวธรมาเนี่ยกับพระในวัดเนี่ยธรมาไม่เคยหวังยอะไรจากใครเลยพอที่ก็ช่วยเราได้บ้างก็เออสาธุดีเนะาะแต่บางทีเขาก็ช่วยเราไม่ได้ไดบางเรื่องเราก็ไม่เป็นไรก็ดีเนาะหรือตกลงกันไว้เอาแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วยเราคุยกันเรื่อเป็นลมปากไว้แล้วก็เออก็ดีเนาะก็ผ่านไปคือชีวิตอรมาก็เลยอยู่แบบ ไม่คาดหวังเลยใครเท่าไหร่ได้วัดมันก็เลยก็เลยไม่ค่อยทุกข์กับคนอื่นเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปคาดหวังเฮ้ยคนนี้ต้องช่วยเรานะคนนี้เราต้องไอ้นั่นได้นะอย่างเงี้ยเราทุกข์ตายเลยแหละเพราะว่าเจ้าตัวก็ไป็ของไม่เที่ยงอย่างที่อาจารย์จอมนาส่วนนวลอะพินทร์ธารประเวกอะทุกสิ่งอย่างไม่เที่ยงหมดไอ้ความไม่เที่ยงเนี่ยแหละถ้ า, าดูดีไปธรรมาะนะเป็นธรรมะสอนใจเราตอนนี้ก็ จะสิ้นปีแล้วสิ้นปีเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกโยมกับอาลมาก็แก่ขึ้นอีกปีหนึ่งพรุ่งนี้สมมุติถ้าใครในที่เนี้แก่เหมือนกันหมดเลยอายุเพิ่มขอีกหนึ่งปีแต่ทีนี้ก็มีญาติโยมแก่กับอาลมาหลายคนถ้าพวกแก่กับอาลมาจะลําบากแล้วอยู่ในช่วงขาลงแต่พวกที่อายุน้อยกว่าจะเข้ายิงชั่วหน่อยถ้าอายุเลขสามอ อ, อยู่ในวัยชักกันอายุเลขสี่กระชักจะรู้สึกว่าวัยกลางคน เริ่มแก่เอวิวะเริ่มเสื่อมตาเตอรเริ่มไม่ดีอะไรต่างชักไม่เหมือนก่อนแล้วแต่เลขห้า น, นี่ก็ชักเลขห้า น, นี่ขาลงขาลงนะขาลงแบบค่อนข้างมากถ้าเลขห น, นี่เริ่มแย่แล้วเลขห น, นี่ชีวิตเหลือน้อยแล้วเหมือนกับตอนเริ่มเย็นแล้วคือชีวิตคนเราถ้าเฉลี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีนะถ้าหกสิบก็เหลือเวลาสิบกว่าปีเองสมมุติถ้าไม่ตายด้วยอุบัติเหตุ หรือบางทีอาจจะรักษาสุขภาพดีอายจตายแปดสิบแต่เกิน8ปดสิบก็ชักแย่แล้วร่างกายคนเราพอแปดสิบร่างกายก็เสื่อมไปหมดแล้วบางคนก็หลงลง่ม ล, ลื ม, ลมบางคนติดเตียงนั่งรถเข็นช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีชีวิตคนเราจึงไม่ค่อยจบแบบแฮปปี้เอนเดคือจบอาจไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกสังเกต น, นะแต่ละคนเนะ่ไม่จะเป็นครูบาอาจารย์บางทีติดเตียงล่านานอ ย, ยตายได้หรือไม่ก็ป่วยพ ง, งาพ ง, งา้า จบไม่สวยไม่เหมือนในหนังปีนี้ก็อีกไม่กี่ชั่วโมงมันก็เขาดาวอย่งางเมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวหนุ่มไวรุ่นสี่คนอันนี้อายุยังน้อยอยู่เลยไปฉลองเ้าดาวไปไปเข้าแคมป์ที่นู่น่ะแก่อาจารย์กินเหล้ากันแล้วก็นั่งเรือแล้วก็จมน้ำตายเลยสี่คนคือเรือเรือมันจมเนี่ยถ้าถ้าไม่กินเหล้า ตัหลักก็น่าจะไหว้ได้ถ้าคนบอกไอ้น้ำพอเป็น น, น่าจะเอาตัวรอดได้แต่เพราะเมาด้วยก็เลยไม่มีสติก็เลยเป็นการฉลองปีใหม่หี่น้าเศร้าตอนนี้ก็ตายไปเยอะแล้วนะวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สบเก้าเดือก็ตายไปเกือบสองร้อยแล้วบาดเจ็บเป็นพันวันนี้เขายังไม่ได้นับอย่างเมื่อวานเขายังไม่ได้นับท่าน้ำพคงจะมากขึ้นและยังเหลือวันนี้กับพรุ่งนี้อีกวันที่สองที่สามอีกกว่าจะครบเนี่ยคงตายมากกว่านี้ ต่พวกญาติโยมเลยโชคดีที่มาวัดไม่น่าห่วงหรอกมาวัดถือว่าเป็นมงคลปลอดภัยทั้งกายทั้งใจพวกโยมฉาาลาดได้มาฟังธรรมหาความสงบชั่งจิตใจต่างกับคนข้างนอกที่กินเหล้าเล่นการพนันแล้วก็อันตรายด้วยถือว่าการที่พวกโยมมาวัดเป็นมงคลนะ อนุมาพูดอนุมาโยมฟังเนี่ยแป๊บเดียวนะตัวอนุมาพูดจะรู้สึกว่าเร็วอยู่กับเร็วติดปีกเลยเพราะว่าถ้าคนพูดได้เป็นเนี่ยครึ่งชั่วโมงนี่นานนะสาหรับคนฟังและคนพูดแต่ถ้าพูดไหลเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยอนุมายังไม่ได้พูดทั้งหลายเรื่องเนี่ยเวลาหมดแล้วว่าจะพูดต่อก็เวลาหมดก็เลยจำใ จ, จ, จําใจต้องเลิกเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเวลาก็ไม่ดีก็ก็ขอให้โยมเนี่ยมีความสุขเดีย๋ยวท่องก่อนได้ฟังก่อนหนึ่งก่อนนี้ พพุทธะแต่งไว้ปีใหม่มีสำหรับดีกว่าปีเก่าพืชมีเงาครบปีทวีหัวทั้งขนาดทั้งจำนวนล้นเกินตัวแต่คนชั่วกับถอยถดดีลดลงคือปีหน้าเร็วกว่าในปีนี้ไม่กี่ปีจะบท ด, ดีเพ่อมีหลงรู้สึกตัวละชั่วเพราะเห็นตรงดีจะโคงดีขึ้นไปชื่นใจเอ่ยอันชีวิต ผลิดขึ้นมาจากพระธรรมด้วยพระธรรมโดยพระธรรมนําวิถีสุทธิปัญญาเมตตาและขันตีปีใหม่มีมากกว่าเก่าพวกเราเอา่ยก็ขอให้โยบญาติโยมเนี่ยมีความสุขมีความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปถ้าคิดสิ่งใดถูกต้องก็ขอให้สมปนะแต่ก็ให้เห็นฟับจริงของชีวิตเห็นความไม่เที่ยงเลยนะเพราะบางทีให้พรน่ยพร ม, มันก็เป็นของปลอมอะหลอกกันไปหลอกกันมาเอวัง